RMTT News พิกัดข่าวเด่นเกาะประเด็นร้อนกับทีระเดชงามเหลือที่คลื่นนี้8ป5สิเมกะเฮิรสสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับพิกัดข่าวเด่นนะคะเก้ RMTT News ค่ะครับสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้พบกันนะแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเราอยังคง ต้องการที่จะรยายงญญานสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นอ่าเป็นข่าวด่วนข่าวร้อนประจําอาทิตย์นี้เลยก็ว่าได้นะคะกับเรื่องพายุนะคะฮา<ะ>กิบิสเนาะที่กําลังโจมตีญี่ปุ่นอย่างรุนแรงเลยทีเดียวนะคะครสร้างความเสียหายมากมายเลยครับฮากิบิสเนี่ยเรียกว่าเป็นไต้ฝุ่นลูกที่19เนะครับเทียบเท่ากับพิริเกนระดับ5ความเร็วลมเนี่ยมากกว่า200กิเมตต่อชั่วโมงอ่าทีนี้เนี่ยคือเคลื่อนออกไปแล้วก็จริงแต่ว่าก็ทิ้งความเสียหาย ค, ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเหมือนกันแต่ทีนี้มีคนพูดถึงกันเยอะนะน้องฝ้ายนะว่าเอเขาชื่นชมเนคนญี่ปุ่นมีการรับมือที่ดีมากใช่มันทำให้เกิดความสูญเสียได้น้อยลงแล้วก็เป็นการป้องกันแบบไม่ให้มันเอฟเฟกไปมากกว่านั้นได้ดีมากๆเขารับมือได้ดีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลเนาะกับประชาชนต่างๆว่าเอ้ย มันจะมาเมื่อไหร่จะเข้าเมื่อไหร่จะเสียหายแค่ไหนการรับมือจะทํายังไงได้บ้างเนาะรวไปถึงการเยียวยาพูดประสบภัยหลังจากนั้นด้วยนะคะก็ชื่นชมประเทศญี่ปุ่นเนาะเป็นประเทศแห่งภัยพิบัติเลยทีเดียวเขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่นะคะญี่ปุ่นเนี่ยโดนไต้ฝุ่นโดนพายุมาตลอดเลยมีแค่4ปีเท่านั้นนะคะพี่เดียวที่ไม่โดนดังนั้นเนี่ยเขาก็ถือได้ว่าเป็นประเทศแห่งภัยพิบัติจริงๆโดนหมดอะไรบ้างอะ แผ่นดินไหวน้ำท่วนมซึนามิอก่อนที่เราทราไปอยู่เรียโดนไหมหนูยังไม่เคยเจอนะคะถือว่าโชคดีหนูจริงๆอาจจะมีแผ่นดินไหวบ้างอะไรเงี้ยก็เคยเจอแผ่นดินไหวแบบแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าหนักอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกได้มันสั่นๆกลัวเหมือนกันนะเพราะเราไม่เคยเจอแบบนั้นเนาะอยู่ประเทศไทยมันไม่มีครับตอนที่เราไปใช้ชีวิตหรือว่าทํางานอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยพอจะนับได้ไหมว่า ตอนเกิดแปน่นดินไหวเนี่ยกี่ครั้งโอ้หตอนนั้นอยู่ประมาณหนึ่งปีครึ่งนะคะก็จะไปไปมาๆเนาะบินไปบินกลับไทยอะไรเงี้ยต้องทำงานก็เจอประมาณห้าหกครั้งนะคะมีทัแบบเบาๆ เ, เ, เลยนะคะเบาๆอะไรเงี้ <ๆ S 1> ย, ยแบบเราก็จะแบบอุย้ยมีแผ่นดินไหวหรือเปล่าแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าพยากร์ของเขาเนี่ยมันค่อนข้างแม่นยํา อ, อย่างอนออกจากบ้านเราจะดูละเวันนี้มีแผนไว้ตรงไหนไหมฝนตกตรงไหนไหมคือ สมมติเขาบอกว่าฝนตกพกกล้อไปยังไงได้ใช้แน่นอนค่อนข้างแม่นยำมากๆาแผ่นดินไหวอะไรแล้วก็เตรียมตัวรับมือได้ทันรู้แล้วไอ้เด็กนี้ต้องแผ่นดินไหวอะไรครับตอนพี่ไปเที่ยวที่จําได้นะอรู้สึกไหมคะเจออยู่ประมาณสักสองครั้งครั้งหนึ่งก็ไม่ค่อยหนักมากนะตอนแรกคิดว่าเอ๊ะเราหน้ามืดหรือเปล่าอแต่ว่าครั้งล่าสุดที่ไปเนี่ยค่อนข้างดุริลเมื่อประมาณสักสามสี่ปีที่แล้วมั้งค่ะแล้วถึงขั้นว่าเกิดความเสียหายหนักมาก ที่เดียวไปเจอเลยนะคะตอนนั้นเลยคือจังหวะพอดีเลยว่ามันเกิดต่างพื้นที่นะว่าตอนนั้นพี่สุขพี่ไปโอซาก้ามันกระทบกระเทือนมาถึงเลยเแต่ว่ามันจะไปเกิดรู้สึกว่าน่าจะน่าจ ะ, าจะใต้โอซาก้ามาค่ ะ, ะแล้วจังหวะที่ เ, เราเนี่ยนั่งชิงกันเซนเนี่ยผ่านไปแล้ว อ, อมันก็ไปเกิดเหตุหลังจากนั้นประมาณสักชั่วโมงหนึ่ง น, นี้เนี่ยก็มีประกาศว่าชิงกันเซนก็ต้องงดใช้ไปของการให้บริการไปเื่อความปลอดภัยเนาะ พอมันมาเกิดเหตุเรื่องของพายุฮากิเบสค่ะนะสถา น, นการณ์ล่าสุดนี้เขารายงานาว่ายังไงบ้าง น, น, นะน้องฝ้ายคือตอนนี้นะคะยอดผู้เสี ย, ยชีวิตเนี่ยเพิ่มเป็นอย่างน้อยหกสิบแปดรายแล้วนะคะแล้วก็มีผู้เสียหายอีกมากเลยแล้วก็มีไฟบ้านบ้านเรือนประมาณสามหมื่นสี่พันหลังคาเรือนนะคะที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อื ม, อมก็เสียหายมากก็คือ แล้วก็ไม่มีน้ําใช้ประมาณสิบสามจังหวัดเลยทีเดียวคือตอนนี้ค่อนข้างรุนแรงมากอย่างที่พี่เดียวบอกไปก่อนหน้านี้ว่าพายุมันรุนแรงมากแล้วก็เขาบอกว่าพายุเนี่ยมันเทียบเท่าใหญ่ขนาดครึ่งหนึ่งของอเมริกาเหนีมากนะคะมแต่กว่าบ้านเราอีกอ๋อใช่บองข้อมูลพี่เห็นว่าเขาบอกว่าความใหญ่ของมันเนี่ยถ้าเกิดว่าจะวัดจากหัวไปใต้เนี่ยสักสองพันกิโลเมตรหัวไปใต้สองกิโลเมตรมีเท่าไหร่นะโห ให่กว่าประเทศเราไหมใ่กว่าประเทศญี่ปุ่นนีกเกาะเขาใหญ่กว่าญี่ปุ่นนะแล้วก็บางข้อมูลบอกว่าความใหญ่ของเขาเนี่ยประมาณสัก 1,400 กิโเมตรโอ้โหเร็วมากๆานะฮะนะฮะตัวเลขนี้ณตอนนี้ยังไม่ไม่นิ่งก็จริงฮะแต่ว่ามันก็มีการชี้ชัดออกมาว่ามันก็เกิดความเสียหายเกิดขึ้นดีนะฮะเพราะว่าเราเฝ้ารูนอยู่ว่าไม่อยากให้มันเกิดความแรงไปมากกว่านี้ไงใช่แล้วก็เกิดเหตุการน้ําท่วมเนาะโดยเฉพาะในจังหวัดฟุกุชิมะนะคะ เขาบอกว่าเนี่ยผู้ผู้ประสบภัยเนี่ยที่ได้รับความเสียหายนะเขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็วมากๆภายในแค่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยขึ้นมาถึงระดับอ ก, อกแล้วนะคะแล้วก็มีผู้เสีย ช, ชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวหรือว่าหลบหนีไม่ทันอื ม, อมแต่ น, <โ>นี้เนี่ยมีคนเสียชีวิตก็จริงใช่ไหมฮ ะ, ะมีทางหนึ่งที่มันเป็นอุทาหรณได้เพราะว่า ตามข่าวว่ากู้ภัยที่ว่าเขาใช้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยไปช่วยผู้สูงวัยแล้วปรากฏว่าพอจะดึงผู้สูงวัยเนี่ยขึ้นมาจากหอกู้ภัยแต่ว่าผู้สูงวัยก็ร่วงตกลงไป<อ>เลยทําให้เสียชีวิตนะฮะ<า>ตอนนั้นเขาก็ยอมรั ว, ว่าไม่ได้มีการติดตั้งในตัวเบลล์อะให้มันดีเท่าที่ควรถือว่าเป็นอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเนาะน่าเศร้าฮะแล้วต้องไฟ้ได้เห็นข่าวนะไม่ที่ พอเกิดน้ํำท่มก็จริงไงแต่ทำไมน้าเขาใสๆเนาะโอ้เห็นค่ะโหคือน่าไหวยมากอ่ะ <c ười> มันคือต้องต้องต้องย้อนกลับไปดูนะว่าเขาป้องกันอะไรยังไงแล้ว ว, ว่าวิถีชีวิตเขาทํายังไงการดูแลรักษายังไงมันถึงไ ด, ดดได้สะอาดขนาดนั้นเนาะคือเขาบอกว่าอะอย่างอย่างแรกเลยที่เห็นเนี่ย Beifall อยู่ญี่ปุ่นมานานๆการแยกขยะของเขาเนี่ยชัดเจนมากทิ้งขยะเป็นที่สมมุติว่า พี่เดียวเนี่ยเราสองคนไปทานข้าวกันีใช่ไหมคะมมเราซื้อฟาสต์ฟูฟ้ดมาเทคเอาไ y กลับบ้านสมมติเรากินแล้วเนี่ยบางที่เนาะบางประเทศแล้วกันกินเสร็จตรงไหนก็ทิ้งตรงนั้นวางตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ญี่ปุ่นก็จะมีวัฒนธรรมหนึ่งนะคะก็คือ เอากลับบ้านน่ะคือขยะของเราเราต้องไปทิ้งที่บ้านต้องรับผิดชอบตัวเองเขาจะรู้สึกว่าห้ามทําตัวเองเนี่ยเป็นภาระของคนอื่นอซึ่งถังขยะที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะไม่ได้เยอะมากนะคะสังเกตดีๆแล้วก็ถ้ามีเมื่อไหร่เนี่ยก็จะแยกขยะชัดเจนอันนี้ขวดน้ําอันนี้ขยะเปียกอันนี้ขยะรีไซเคิลนะคะแก็เขาจะบอกไว้เลยว่าสมมติเราจะทิ้งขยะอยนะ่างแก้วน้าสมมุติเรากิน น้ำแก้วหนึ่งเนี่ยมีน้ําแข็งมีน้ําอยู่แล้วก็แก้วพลาสติกถูกไหมคะวิธีทิ้งที่ถูกต้องเป็นยังไงพีเดียววิธีทิ้งก็ต้องขัดแยกเนาะขัดแยกขัดแยกโดยเอาน้ําแข็งออกด้วยเนาะไม่ใช่ทิ้งทั้งแก้วนะคะไปในขยะรีไซเคิลอย่างเงี้ยได้ครับขัดแยกพวกบางทีมันมีเศษอะไรมีน้ํําขงน้าแข็งมีหลอดอใช่ไหมนะเอาให้มันออกมายิ่งตอนนี้คือไทยพเศษส่งลดระลงเขาจุดลดระลงเรื่องของการคัดแยกขยะหรือว่าการทํำยังไงไม่ให้ไปอันนี้เรา ไม่สมบูรณทบอ่ะใช่แล้วนอกเรื่องไปนิดนึงแต่มันก็เกี่ยวข้องนะคะ <c oughs> ครับแล้วก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติอันเนี้ยก่ที่พายุจะเข้าเขาก็รู้่วงหน้าใช่ไหมเขาก็เริ่มทําความสะอาดเนะเาะพอรู้ว่าอ้าวเดี๋ยวพายุเข้าฝนมันตกน้ํามันต้องท่วมมันต้องมีปัญหาหลังจากนั้นเขาก็พยายามหาทางป้องกันเนาะกวาดล้างอะไรให้เรียบร้อยให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดถือว่าดีมากๆไม่ต้องมาเป็นแหล่งเพาะพันเชื้อโรคต่อไปหลังจากพายุผ่านไป ครับคือคือฟังข้อมูลมาแล้วค่อนข้างที่จะ น, น่ารักตรงที่ว่าอย่างชาวญี่ปุ่นคือว่าเขาไม่รอหน่วย ง, งานรับเพียงอย่างเดียวเขาช่วยเหลือตัวเองก่อนใช่ไหมใช่พึ่งพาตัวเองอืเช่นอะไรบ้างครอย่างบ้านของเขาเนี่ยเวลาที่พอทราบแล้วว่าอ้าวเดี๋ยวพออยู่จะเข้ามาน่รารักมากเลยแบบติดตั้งเลยใช่เอาผ้าใบมาผ้าใบคุมกระจกรถเนียะรถยนต์นะอ่าปิดกระจกรถให้เรียบร้อยพันเชือกพันเทปอะไรให้เรียบร้อยเพื่อที่ว่า พายุมาเนี่ยกระจกมันจะได้ไม่แตกหรือว่ามันจะได้ไม่ปลิวไปสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านอะไรเงี้ยคืออฮรับผิดชอบตัวเองไอเดียนี้เคยน้องค่ะน้องไฟเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมที่แบบว่าเอาพวกพระบงพระบายนี่มาเอาไว้พวกหลังคงหลังคาบ้างยังไม่เคยเห็นนะคะยังไม่เคยตัวพี่สุเพิ่งเคยเห็นครั้งนี้ก็เลยรู้เออมันเป็นไอเดียดีเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยบ้านเราควรจะเอา อะไรที่ดีๆมาทำเงินบ้างแล้วเตรียมพร้อมไว้ค่ะไม่ถึงว่าชิงคันเซ็นนะฮะคือเราเห็นภาพความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยรูสมูลค่าเนี่ยความเสียหายประมาณสักเกือบหมื่นล้านนะเยอะมากเที่ยวบินคนเซ็นเยอะมากเนาะแต่ว่าในช่วงนั้นในที่ว่าพอเกิดเหตุพายุจะเข้ามาก็ยังเห็นคนไทยเดินทางไปที่ที่ญี่ปุ่นอยู่ดีสสัยตัวจะถูกมั้งคะว่าตอนนี้ก็ถ้าไปก็ ระมัดระวังกันด้วยน ะ, ชะเช็คข่าวสารดีๆเพราะว่ามีทั้งเที่ยวบินเอ่ยไฟบินต่างๆรถไฟเนาะก็แคนเซลกันเป็นจำนวนมากนะคะ<ม>ก็ก็ลองตรวจสอบข้อมูลดูอีกทีนึงหรือว่าติดตามข่าวสารอัปเดตได้ตลอดเนาะเขาอัปเดตค่อนข้างเร็วทามนะคะจะเห็นได้ว่าที่ญี่ปุ่นพี่เดียวเขามีเร็ t ท m e กล้องวงจรปิดเลยนะ<ม>ไลฟ์ให้ดูเลยว่าแบบตอนนี้แต่ละเมืองแต่ละแยกแต่ละจุดเนี่ย สถานการณ์เป็นยังไงพายุไปถึงไหนคือเขามีกล้องมืจรปิดที่มันใช้ได้วง เ, เล็บด้วยนะที่มันสามารถใช้งานได้จริงจริ ง, รงอ่ อ, อนทามเรียวทามได้จริงจอ่ะเผยแพร่อยู่ตลอดเลยสามารถเช็คได้หมดสมมติว่าวันนี้ฉันจะไปอ่ะสี่แยกชิบุย่าไหนเปิดดูซิว่าอุ้แยกชิบุย่าเป็เนยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออก็ตอนตอนชุดที่ที่มีวแล้วก็เช็คเหมือนกันใช่เราไปไปเที่ยวใช่ไหมเราต้องดูก่อนว่าแบบอุ้ยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเออแต่รู้สึกไว้ว่าไม่ไม่ได้ดักอย่างที่เราแบบคาดคิดกันไว เพราะว่าถ้เกิดว่ามาหนักเหนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่าโศกนนาฏกรรมนี้จะเกิดขึ้นสักเท่าไหร่เลยใช่ไหมฮะแต่ณตอนนี้เนี่ยตัวเลขคือต้องบอกว่าเขายังสำรวจอยู่ค่ะยังยังไม่แน่นอนเนาะยังสำรวจไปเรื่อยๆคนที่สูญหายไปน้ําพัดไปนะครับมีสิ่งก่อสร้างทับบ้างอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็คงต้องดูกันต่อไปเรื่อยๆแล้วว่าความเสียหายจะมากกว่าหกสิบไม้นะอยากจะให้ตัวเลขเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก หลักสิบอยู่อือเอาแค่นี้พอเนาะไม่ให้มากไปกว่านี้แล้วและ ก, กันก็ก็ขอให้ประเทศญี่ปุ่นนะีผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีแล้วกันนะคะสําหรับใครที่จะไปก็อย่าลืมตรวจสอบข่าวสารอัปเดตข้อมูลด้วยเนาะก่อนไปค่ะเออเดี๋ยวช่วงที่เราพักกันก่อนดีกว่าคือช่วงหน้าเนี่ยจะชวนน้องฝ้ายคุยเหมือนกันนะครับว่าการใช้ชีวิต ท, ที่นู่นเนี่ยถือว่าเป็นแบบอย่างได้ยังไงบ้างเจนการต่อแถวเนะี่ยการรับมือเพราะว่ารู้มีเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เขาแจ้งมาแล้วว่าอ้าวเดี๋ยวคุณต้อง ไปเตรียมเข้าของอแล้วก็เห็นว่าคุณญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าสต็อกอาหารในของใช้ใช่ไหมคะอเอาแต่พอดีอะไรอย่างนี้นะใช่นะครับเดี๋ยวลองมาคุยกันเรกหน้านะคะอย่าพักกันสักครู่คะ่ะ RMTT News ปีกัดข่าวเด่นเกาะประเด็นร้อนกับทีระเดษงามเหลือที่คลื่นนี้ 89.5 เมกะเฮิร์พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบรุรีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ได้รวบรวมสายพันธุ์บัวมากกว่า1 0 0สายพันธุ์ทั้งบัวพันธุ์ไทยหายาก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 ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ชั้นเจ็ดศูนย์การค้าบางซื่อจังชั้น RMUTT News พิกัดข่าวเด่นเกาะประเด็นร้อนกับทีระเดษงามเหลือที่คลื่นนี้ 89.5 เมกะเฮิร์ กลับเข้าสู่ชุดที่2ของรายการ iMUTT News พิการข่าวเด่นนะครับกับผมเดียวแล้วก็หนุนะ่้านะเช่นเคยกลับมารายงานเรื่องของสถานการณ์ที่ญี่ปุ่นกันแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอยากจะให้พูดถึงเรื่องของความประทับใจที่เกิดขึ้นทั้งจะเป็นก่อนแล้วก็หลังจากที่ว่าเกิดเหตุการณ์เนาะก่อนนี้คือว่าการเตรียมรับมือเราย้ำกันหน่อย ว, ว่าช่วงแรกเราคุยนิดเดียวะนะเราเห็นความเป็นระบบระเบียบที่เกิดขึ้นผู้คนของเขาต่อธงต่อแถวนี่ก็ยังมีภาพแบบนี้ให้เห็นอยู่ใช่ ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นจุดเด่นของประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ที่ที่หลายหลายๆประเทศเนี่ยเขาเขาเรียกว่าอะไรอะ ย, ยกย่องให้เป็นตัวอย่างเนาะในการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆคืออย่างที่บอกไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะในเบรสที่แล้วว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเจอกับภัยพิบัติมาตลอดเลยแล้วเขาสามารถฟื้นตัวได้เร็วมากนะคะอย่างหลักๆ เ, เนี่ยที่คุยกันกับพี่เดียวเมื่อกี้ก็จับความได้ว่าเขาค่อนข้าง ความมีระเบียบของเขาเนี่ยเขาบอกว่าความมีระเบียบของคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเป็นสาเหตุใหญ่ๆเลยที่ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่สขครามโลกมาเลยนะ อ, อ่ะสงครามโลกภัยพิบัติต่างๆก็สามารถยืนหยัดฟื้นตัวเป็นประเทศต้นๆของโลกได้เลยอยู่ยดีมไม่มีใครมาทำอะไรนางได้จริงๆอ่าตอนที่เราไปอยู่เนี่ยมีคนคอยบอกเราไหมว่าต้องเรียนแบบวิธกรรของคนญี่ปุ่นเขา ไม่มีค่ะแต่ด้วยความที่เราเห็นคนอรอบๆตัวเนี่ยทําแบบนั้นเนี่ยถ้าเราทําผิดออกไปสมมุติว่าอ่ะปุ๋ ง, งา่ายๆเราขึ้นรถไฟฟ้าทุกวันเนะาะเช้าเย็นไปทํางานเรนเนี่ยมันก็จะมีตีเส้นไว้เลยค่ะชัดเจนว่าเราควรจะยืนตรงไหนใครออกก่อนใครเข้าก่อนถ้ามีใครที่ปึ๊บเข้ามาแบบวิปาดเข้าไปอย่างเงี้ยคนที่ปุ๋งก็จะแบบ โหคนนั้นคือจะรู้น่าเกลียดโดนประนามมากๆเลยอะค่ะซึ่งไม่มีใครเขาทำกันแต่นิสัยคนญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่ได้แบบพโลงว่าหรือด่าทอไปนะคะแต่มันจะทำให้เรารู้สึกแบบมันเหมือนพอเขาไม่พูดเรายิ่งสำนึกน่ะพี่เดียวแล้วก็เออแล้วเห็นทุกคนเขาก็ต่อแถวกันหมดคนแก่คนชราอะไรทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันอาจจะเห็นได้ว่าที่เวลาขึ้นรถไฟฟ้านะคะผู้เขาจะมีไม่มีวัฒนธรรมที่ผู้ชายต้องลุกให้ผู้หญิงนะ เขาถือว่าทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกัน oh. ใช่ไม่มีนะคะสังเกตได้ว่าผู้ชายก็จะนั่งทั่วไปถ้าอยากนั่งจริงๆนะคะมันจะมีโซนแยกต่างหากเป็นโซนสีชมพูมสำหรับคนตั้งคันเนาะคนชราแล้วก็คนที่ติดเครื่องช่วยเขาเรียกว่าอะไรนะ AED ค่ะที่ปั๊มหัวใจอะไรอย่างเงี้ย p a c e m a อ e r ตรงโซนนั้นเนี่ยก็คือถ้าถ้าเข้าไปนั่งแล้วเนี่ย ทุกคนที่คนปกติทั่วไปเข้าไปเนี่ยห้ามใช้โทรศัพท์นะคะเป็นการเคารพสิทธิสุจริตการเพราะเขาถือว่าตรงที่นั่งตรงเนี้ยเป็นสําหรับคนที่ใช้ที่ปั๊มหายหัวใจใช่ไหมดังนั้นการเล่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยอาจจะส่งคลื่นไปรบกวนของผู้สรทันนั้นได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องในเล็กๆน้อยๆที่เขาให้ความเคารพกับสิทธิของผู้อื่นต่อการอ่านนี้หนึ่งละ อ, อ่าการเข้าคิวอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกอย่าง เคยมีข่าวว่าตั้งแต่ซึนามิเอ่ยแผ่นดินไหวเอ่ยนะคะพอมีการเกิดเหตุภัยพิบัติแบบนี้เกิดขึ้นก็จะมีเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลเนี่ยเข้าไปช่วยเหลื อ, อประชาชนชาวญี่ปุ่นใช่ไห ม, มเราก็จะเห็นภาพครับพี่เดียวต่อแถวคดเคี้ยวเพื่อรอรับอุปกรณ์ยังชีพต่างๆซึ่งต่อแถวเป็นชั่วโมงนะน้ำก็ท่วมหนาวก็หนาวแต่ทุกคนก็ต่อแถวอย่างอดทนแนมะ้ว่าอาจจะแบบมีเสือ้อผ้าแค่ตัวเดียวไม่มีอะไรเหลือแล้วแต่ว่าอันนี้คือ วัฒนธรรมของเขามันยกให้เขาจริงๆค่ะอือการต่อแถวนี่ค่อนข้างเป็นจุดเด่นมากๆเลยที่มันเห็นได้ชัดนะเป็นสัยหลักที่มงบอกว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ผู้คนระบบระเบียบมากกดทนมากใช่ไหมฮะใช่ไม่มีการแซงการแม้แต่ ว, ว่าผู้นำเองพอมันมีข่าวอะไรที่ไม่ดีขึ้นมามก็ตัดสินใจลาออกอะไรอย่างงี้ ก็เห็นอยู่บ่อยๆใช่แบบมารับผิด ช, ชอบเปนสิ่งที่ตนทําคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีคตินึงว่าคือส่วนส่วนรวมเนี่ยสาคัญกว่าส่วนตัวออเขาจะเห็นแก่ส่วนรวมการทํางานก็เหมือนกันเห็นแก่ บ, บริษัทมากกว่าเห็นแก่ตัวเองอตัวเองเหนื่อยไม่เป็นไรขอให้บริษัทมันเตบิบโตอ่ะฉันก็ทํางานล่วงเวลายอย่างที่เคยกล่าวไปในเทปก่อนๆ อ, อ, อะไรอย่างเงี้ยหรือเหมือนการหาประเทศก็เหมือนกันเห็นแก่ส่วนรวมไม่มีการออกมา ก็อมอบดารัฐบาลว่าทำไมไม่ไมาช่วยเลือดอะไรไม่มีเนาะเขาก็จะให้มันผ่านผ่า น, านวิกฤติในอ ง, งนี้ไปได้ก่อนก็ช่วยกันทุกด้านอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมจริงๆค่ะอืมแล้วการทำงานดีใช่ไหมฮะใช่แต่และคนมุ่งมั่นว่าในช่วงของฮักกีบิสเราเห็นชินโซอาเบะ น, นะครับนายยมตรีของญี่ปุ่นเนี่ยก็บอกเลยนะครับว่าจนุที่ห้ามลา อต้องพร้อมยี่สิบสชั่วโมงเห็นแกส่วนรวมมากกว่าเห็นอหมเจ้าหน้าที่บางคนเนี่ยเขาอาจป้ากเขาอาจจะนำท่วมก็ได้นะพี่ถูกไหมหรือว่าลูกเมียภรรยาอาจจะต้องอะไรต่างว่าเนี่ยนะคะอย่างที่บอกจริงว่าเป็นวัฒนธรรมของเขาครับทําให้เขามาถึงทุกวันนี้ได้อย่างที่บอกว่าแข็งแกล่งมากนะคะอ่ายแพ้ตั้งแต่สงครามโลกเนาะก็ค่อนข้าเสียหายมากไหนจะตอนนั้นซึนามิหนักพายุเฮอริเคนทอร์นาโดอะไรโอ้โหมากมาย แต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีเราทำงานกับคนญี่ปุ่นมาเนี่ยเขาบ่นอะไรให้ฟังบ้างหมว่าไอ้ทำไมประเทศเขามีภัยพิบัติเยอะจังเขาไม่บ่นนะคะเขาไม่บน่นแต่ว่าเขากลับเขากลับรู้สึกว่าอันนั้นน่ะมันคือสิ่งที่เขาต้องเจออยู่แล้วเขาจะไม่นำมันมาอย่างมีเพื่อนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเราก็จะพูดไปนะ ว, ว่าเฮ้ยสงสารประเทศอยู่จังเลยทำไมประเทศอยู่เนี่ยแบบ โดนภัยิบัติบ่อยจังอะไรอย่างเงี้นู่นนี่นั่นเลยคนอื่นเขาไม่เห็นโดนกันเลยสงสารประเทศอยูเนสโกเราก็พูดตามความรู้สึกเราปกติอะไรเงี้ยแต่พอได้ฟังเขาเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรนะคะเขาก็พูดมาเราก็รู้สึกได้ว่าเออนี่มันคนญี่ปุ่นจริงๆเลยเนาะ อ, อะไรเงี้ยเขาก็พูดว่าเนี่ยแต่ว่ารู้ไหมเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าทุกวันนี้ที่เป็นญี่ปุ่นได้ก็เพราะไอ้เรื่องประมาณแปลวันน่ะก็เพราะไอ ศกอนกานาตกรรมพวกนี้เนี่ยแหละเพราะว่าความสูญเสียทั้งหลายเนี่ยแหละทำให้พวกเขาเนี่ยต้องจับมือกันแน่นขึ้นแล้วก็ผ่านไปให้ได้ อ, อันนั้นก็แบบเขาพูดเชิงแบบธรรมดาแล้วแต่เราแบบฟังแล้วกินใจจังเลยอะ่ะ อ, อยากให้อยากให้มันซึมซับมาทางเราบ้างจังเลยอะไรเงี้ยเนาะความความความสู้ของเขาควา ม, อ, มอะไรต่างๆขงเขานะคะข้อดีแบบเยอะมากอือแล้วเขายอมรับไหมการช่วยเหลือยอมไหม มี่ะคะท<ฮ>ีล่าสุดอย่างที่พี่เดียวเล่าเมื่อเช้าว่ามีทีมรักบี้ใช่ไหมคะ เ, เข้าไปช่วยเหลือเขาก็เป็นช่วยกันเนะเาะไปหนึ่งไปแจกของใช่ไหมคะทีมรักบี้ ไ, <ป S 1> ไปช่ว ย, วยแจกขอ ง, งอช่วยวิทยน้ำทำความสะอาดต่างๆจากแคนาดาสูาสุดยอดอก็เป็นอีกอเนยราค่ะทุกเหตุการณ์ภัยพิบัติเราก็จะเห็นน้ำใจเนาะของ เนี่ยคนต่างชาติด้วยนะไม่ใช่ชาติเดียวกันเลยคนละทวีปด้วยสามแต่ว่าก็มาช่วยกันสงสัยเหมือนกันว่าทำไมบางทีแบบว่าบ้านของชาวญี่ปุ่นเนี่ยบางทีพวกของอะไรต่างๆพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรเขาไม่ค่อยเยอะมันเป<ม>็นวัฒนธรรมกขใช่ไหมมอ ม, ม, มอ ม, มันด้วยความที่ค่าครองชีพเขาแพงเนาะที่อยู่เขาก็จะเล็กๆ เล็กๆหน่อยอย่างสมมุติถ้าเรามีเตียงเนี่ยเราก็จะต้องซื้อเตียงที่มันสามารถเก็บของข้างล่างได้เป็นลิ้นชักได้เนอะโต๊ะกินข้าวเนี่ยไม่ใช่ว่าบางทีการออกมาสามารถพับเก็บได้ด้วยเนอะเพราะว่าพื้นที่เขามีจํากัดอะคะ่ะประเทศเขาเป็นเกาะเล็กๆเนอะแต่ประชากรเยอะมากเลยดังนั้นการแล้วที่อยู่ตารางเมตรอะไรเนี่ยแพงมากการจะทําอะไรแต่มีอะไรเนี่ยก็ต้องคํานึงถึงพื้นที่ใช้สอยให้ได้มีประโยชน์มากที่สุดบ้านก็จะเล็กๆ เฟอร์นิเจอร์ก็จะน้อยน้อยแต่สามารถใช้ใช้สอยได้เยอะแยะมากเลยบางทีโต๊ะนะคะเปิดออกมามใช่ไหมทีเดียวติดกับกําแพงเนี่ยพอเปิดออกมาเป็นโต๊ะกินข้าวได้การออกมาได้อีกสมมตุติแบบนั่งต่อได้อีกอะไร อ, อย่างเงี้ยแบบได้หลายพับหลายทบอะไรเงี้ยค่ะรถก็เหมือนกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเนื่องจากเขามีพื้นที่จํากัดใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าใครเยอยากขับรถก็ซื้อรถได้นะคะ อ, อ่ะก็ต้องมีการไปทําใบอนุญาตก่อนสม ม, มุติ ไปอนุญาตไม่พอนะคะหนูจะซื้อรถคันหนึ่งหนูต้องไปบอกเขาก่อนหนูต้องไปแสดงตนกับเขาว่าหนูมีพื้นที่ในการจอดหรือเปล่าอืมสมมุติบ้านหนูไม่มีโรงรถเงี้ยหนูก็ซื้อไม่ได้หนูต้องไปเช่าที่จอดเอาเสียเงินเป็นวันๆซึ่งก็แพงดังนั้นก็ต้องคิดดีๆเขาก็เลยแบบอรัฐบาลก็จะสอนให้รู้จักรับผิดชอบไม่ใช่ อ, ออกรถมาเต็มท้องถนนไปหมดอะไรอย่างเงี้ยก็นี่ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะที่สอนให้เห็นการ ไม่ใช่สอนค่ต้องสื่ อ, อ, อสอใช้ในทางไม่ดีครับ อ, อสื่อเห็นว่าประเทศเขามีระบบระเบียบค่อนข้างดีค่ะแล้วรถบ้านเขานี่ก็เล็กเพราะว่าพื้นที่มันก็น้อยอใครจะมีก็ต้องมีหมดเพิ่งรู้เหมือนกันนะต้องมีหลักฐานด้วยนะใช่ค่ะว่าพื้นที่ที่บ้านมีเท่านี้สามารถจะรถได้กี่คันแล้วที่บ้านมีแล้วไปแล้วกี่คันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่มีที่จอดจริ ง, รงๆเราก็ต้อง แต่งเจหน้าที่ตรงขนส่งนั้นว่าเราจะไปจอดที่ไหนแล้วที่จอดทุกที่เสียเงินหมดนะคะมันจะเป็นที่ล็อกล้อไว้เลยค่ะอืมอ่าแล้วเราก็จ่ายเงินอือของหายเยอะไหมที่ญี่ปุ่นไม่มีทางอ๋อจริงเหรอน้อยหนูว่ามันคงน้อยน้อ ย, น, อยน้อยมากๆแล้วก็เรื่องของการลักเล็กขโมยน้อยมิจฉาชีพนี่ก็น้อยมากอืมอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อไหรมีภัยพิบัติอะไรเงี้ยก็ไม่มีการลักเล็กขโมยน้อยกันนะคะทุกคนก็ไปต่อแถวซื้อของซื้อบะหมา่า ซื้อของใช้ต่างๆอะไรเงี้ยอยาเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีการแบบแกล้งแย่งหรือขโมยของกันไม่มีทําของหายทีไรนะก็จะได้คืนพี่เดียวอไม่มันจะเป็นของเล็กของใหญ่พี่เดียวไปลืมกล้องเนี่ยเซ็ตกล้องพี่เดียวไว้ที่ไหก็ได้คืนจริงเหรอเดี๋ยวพี่ไม่อยากลืมเลยนะฮะไม่ยลืมอ๋อเออแต่เคยดีมาแต่ถ้าไม่เจอชาติอื่นนะคะฮะอ๋อต้องอย่ไปเจอชาติอื่นเราไม่ได้ไปเจอชาติอื่นนี่คือหายไปเลย เป็นไปได้เอ อ, เออ เ, อ, อเรารู้สึก <ไป S 1> นะว่ า, าเราไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นว่ามันอุ่นใจเนอะอุนใจแล้วปลอดภัยการเดินทางก็สะดวกมากใช้รถไฟฟ้าใช่ั้มมันเชื่อมโยงแบบโอ้โหยงใหญ่เยอะกันจริงๆก็เป็นเหตุหนึ่งที่รถเขาไม่ติดเนยเพราะว่าประชาชนหันมาใช้บริการของรถสาธารณะกันเนอะรถบัสก็ดีรถไฟฟ้าก็ดี ก็เป็นตัอยากไปเที่ยวเลยอยากไปใช่ไหมเดี๋ยวรอหลังฮากิบิสไปก่อนแล้วกันเออไปกับใครหรือเปล่าอันนี้แซวน้องเลยก็หลังฮากิบิสเนี่ยก็น่าจะฟื้นฟูได้เร็วก็อใครอยากไปเที่ยวก็ไปถ้าการถือว่าเป็นการช่วยชาวญี่ปุ่นไปในตัวด้วยเนาะแล้วก็ประเทศก็ค่อนข้างน่าเที่ยวค่ะอันนี้ก็ถ้าใครยังไม่เคยไปแนะนําอยากให้ไปไปแล้วจะรู้สึก มันจะเห็นได้เองอย่างที่ไฟล์เล่าไปเลยเป็นฉากๆเลยหรือวไปเข้าไปร้านซื้อของก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าโอ้ยเนี่ยแหละนะเค้าเจอเค้าป็นอย่างเงี้ยมันน่ารักอ่ะกิมมิคของเขามันน่ารักค่ะอนี่คือคนที่ไปใช้ชีวิตทํางานที่ญี่ปุ่นมาแล้วนีที่กําลังพูดให้เราฟังคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติงคผู้ชมคุณผฟังมางานข่าวเสร็จแล้วก็มาลงเสียงวิทยุต่อกันเลยจังตีกันนะคะคือ ที่วันนี้เราคุยกันเนี่ยอยากจะให้แบบเห็นเป็นตัวอย่างนะว่าอันไหนที่มันดีเนี่ยแล้วก็จับออมาใช้ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตไม่แน่หรอกว่าภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเนี่ยมันจะหนักหนาขนาดไหนใช่ค่ะอะย่างน้อยมันก็มีภาพปรากฏมาแล้วอ๋อหนึ่งถ้าเกิดว่าทางการประกาศว่าเดี๋ยวจะเกิดเหตุพายุเข้ามาก็ไปปูอะไรนะพวกผ้าบ่งผ้าใบก่อนหุมรถทําความสะอาดนุ่นนี่นั่นให้เรียบร้อยแต่อย่างที่บอกนะคะว่าทุกคนต้องช่วยกันเนาะทําคนเดียวมันก็ เห็นได้เห็นผลได้น้อยถ้าช่วยๆกันเนี่ยมันก็จะเห็นผลได้ไดเร็วขึ้นแล้วก็ได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะคะขอขอให้อ่ปุ่ลพันธุ์วิกฤตินี้ไปได้เร็ ว, รวแล้วก็ขอให้บ้านเราไม่เจอแบบนี้แล้วคันเนาะเป็นห่วงคนไทยที่อยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยนะฮะ<ช>จริงๆอยู่วถ้ากับว่าวันไหนน้องฝ้ายมาจัดล้อมวงเนะะี่ยคุณผู้ฟังที่มีญาติมีเพื่อนหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ที่ ญี่ปุ่นเข้ามาทักทายกันได้ใช่เข้ามาแชร์ข้อมูลกันได้นะว่าเป็นยังไงกันแล้วบ้างนะคะฮะวันนี้ก็พอสมควรเนา ะ, ะค่ะแล้ก็ได้พูดคุยเกี่ยวเรื่องของฮาคิวิสแบบเต็มๆแล้วก็การรับมือการป้องกันของเขาเนี่ยมันน่า<ะ>สนใจขนาดไหนยัง<ะ>ไงส่วนส่วนสัปดาห์หน้านะครับมีประเด็นอะไรนะั้นเดี๋ยวรอกันก่อนละกันได้เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่าทีน่าจะหยิบประเด็นอะไรขึ้นมา พูดถึงกันนะคะก็สําหรับเปรตวันนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กั บ, ค, บคุณผู้ฟังนะคะก็ถ้ามีอะไรอยากที่จะฟังพี่เดียวพูดเพิ่มเติมเรื่องนี้หรือว่าอยากฟังฝ่ายพูดในเรื่องไหนอีกอะไรเงี้ยก็สอบถามมากันได้เลยนะคะใช่แล้วนะฮะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะโอเคค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้ า, น, านะครับสวัสดีค่ะัครบ